คาอธิบายเรื่องเสียงเพลงทิพตเรื่องเสียงเพลงทิพตซึ่งเป็นเรื่องที่แปลมาจากนิตยสารเฟสและได้นําลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามโอปปาติกะองค์เดียวกันนั้นว่าเรื่องในทํานองนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ ท่านได้ตอบว่าเรื่องที่เล่ามานั้นจะจริงหรือไม่จริงท่านไม่อาจรับรองได้เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดแต่ท่านก็รับรองว่าเรื่องในทํานองนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยที่ท่านให้เหตุผลดังต่อไปนี้โดยธรรมดาสําหรับบุคคลที่มีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อนั้น ย่อมจะได้พบเห็นโอปปาติกะหรือได้ยินเสียงจากโอปปาติกะเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เคยอธิบายมามากแล้วแต่ยังไม่มีตัวอย่างสักรายหนึ่งที่ได้ยินเสียงเพลงเหมือนกับในเรื่องนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ประหลาดเพราะในเมื่อได้ยินเสียงคำพูดของโอปปาติกะได้ก็ย่อมจะได้ยินเสียงทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะได้เช่นได้ยินเสียงดนตรีอย่างนี้เป็นต้น ท่นแนะให้ลึกถึงเรื่องในความฝันโดยธรรมดาคนที่นอนหลับแล้วฝันนั้นย่อมจะได้เห็นและได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความฝันเราไม่ประหลาดที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆในความฝันและตลอดเวลาที่ยังฝันอยู่ยังไม่ตื่นทุกคนก็จะรู้สึกว่าเรื่องราวในความฝันเป็นความจริงทั้งสิน้นต่อเมื่อตื่นขึ้นมาแล้ว จึงจะรู้สึกว่าเรื่องในความฝันไม่ใช่เรื่องจริงถึงแม้ความจริงเรื่องความฝันส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ตามเพราะเป็นเรื่องที่นึกคิดเอาเองคือเรื่องต่างๆในความฝันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเพราะคนอื่นไม่ได้รู้เห็นเหมือนกับคนที่ฝันแต่ถึงกระนั้นก็ขอให้สังเกตว่าในกรณีของความฝันที่เป็นความจริงซึ่งตามหลักเรียกว่า เทวโตวปะสังหารณะคือมีโอปปาติกะมาเข้าฝันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในบางครั้งคนเราก็อาจจะได้เห็นของจริงๆหรือได้ยินเสียงจริงๆที่มีอยู่ในโลกของโอปปาติกะได้ในเมื่อเรื่องอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีหูเป็นสื่อซึ่งย่อมจะได้พบเห็นพวกโอปปาติกะหรือบางทีก็ได้ยินเสียงของโอปปาติกะนั้น จึงย่อมจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องทำนองนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดหรือเรื่องที่ผิดหลักธรรมดาแต่อย่างใดเมื่อท่านได้อธิบายให้ข้าพเจ้าฟังเช่นนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องของคนบางคนที่ได้ตายไปแล้วมาปรากฏเสียงให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ยินเช่นบางคนได้ยินเสียงเดินหรือได้ยินเสียงเปิดประตูหน้าต่างหรือเลื่อนของอะไรทานองนี้เป็นต้น เรื่องอย่างนี้สำหรับคนที่มีประสบการมาด้วยตนเองทุกคนก็สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องจริงและอีกอย่างหนึ่งในคำพีพุทธศาสนาก็เคยมีพูดถึงในธํานองที่ว่าคนบางคนในขณะที่กำลังจะตายได้ยินเสียงดนตรีมาจากสวรรค์คือเป็นเสียงดนตรีของพวกโอปปาติกะที่มาคอยต้อนรับในขณะที่เขากำลังจะตายจากโลกนี้ไปและข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะมีบุคคลอื่นอีกหลายคน ที่ได้ยินเสียงที่มาจากโอปปาติกะหลักสำคัญมีอยู่ว่าเมื่อมีคนบางคนสามารถได้ยินเสียงพูดของโอปปาติกะได้เขาก็ย่อมจะได้ยินเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรอย่างอื่นที่มีอยู่ในโลกของโอปปปาติกะได้เช่นเดียวกันแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะได้ยินนั้นต้องเป็นคนที่มีหูเป็นสื่อหรือไม่เช่นนั้น ก็ต้องเป็นคนที่ฝึกสมาธิได้สูงจนกระทั่งได้หูทิฟต์แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากบุคคลที่มีความสามารถเช่นนี้มีน้อยมากเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่ค่อยยอมเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้แต่ถ้าหากได้ศึกษาเรื่องความฝันต่างๆให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าการได้ยินเสียงแพลงทิฟ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนและจะรู้ด้วยว่าเป็นไปได้เพราะเหตุใด ผู้ที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางหลักวิชาจริงๆก็ขอให้อ่านหนังสือเรื่องโลกทิพย์หรือเรื่องสู่แสงสว่างซึ่งหนังสือเล่มหลังนี้ทางสํานักได้จัดพิมพ์ขึ้นมาประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วหมายเหตุผู้อ่านหนังสือผลงานของอาจารย์พรทั้งหมดปัจจุบันยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะครับหาอ่านได้จากหอสมุดแห่งชาติและหอสมุดบางแห่ง หรือสั่งซื้อได้ที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณนะครับ